ให้ได้ขึ้นสูตรก่อนนะว่าในคัมภีร์อิติวุติกาณนี่นะครับในพระสุตตันตปิฎกาพาพระไตรปิฎกอัตถกถาด้วยก็จะอยู่ในเล่มที่45นะครับของฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยชื่อว่าสุตตันตปิฎกแต่ในนิกายนี้อยู่ในคุตการนิกายขึ้นสูตรแรกก่อนนะครับแล้วค่อยกล่าวถึงอัตถกถาว่า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 ถ้าละโลภะได้นะพระองค์เนี่ยเอาตัวเองพระองค์เลยฉันประกันเธอนะว่าเธอคือพระอนาค า, ามีว่างั้นแต่ถ้าเธอละโลภะได้ฉันขอประกันเองว่างั้นนายประกันชั้นเยี่ยมเลยว่างั้นนะแต่ต้องทำให้ได้อย่างนี้นะแต่ทําทยังไม่ได้โอ้ยไม่เปลืองตัวขนานดะนั้นหรอกเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์กล่าวว่าเราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาค า, ามี ธรรมะธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไนดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะถ้าเธอละโลภะได้นะฉันขอรับรองเธอเองเหมนันนะแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาพระ อ, องค์รับรองเองเลยนะแล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลาย คำว่าเห็นแจ้งนี่เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายเห็นแจ้งนี่เป็นชื่อของมรรคนีมรรคเนี่เป็นเป็นชื่อว่าเห็นนะบางทีก็ใช้คําว่าทัศนามรรคถ้าระดับโสดาปติมรรคเรียกทัศนามรรคเพราะฉะนั้นเห็นในที่นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิที่เกิดร่วมกับอริยมรรคชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกคติแล้วละได้ คือคือพูดถึงตอนจบเลยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเอาโสโดาปฏิมักนะว่าถ้าเอาโสโดาปฏิมักมาตั้งเนี่ยนะแสดงว่าวิปัสสนาก่อนนั้นนั้นเท่ากับพูดแล้วนะครับแต่นี้ถ้าเอาแบบสูงสุดเลยเอาแบบสูงไว้ก่อนเท่าแบบสูงก่อนเนี่ยนะครับลดมาต่ำไม่ยากนะฮะคือธรรมะนี้บางสูตรเนี่ยนะครับเอาเอาสูงสุด ต, ตั้งก่อนแล้ว เ, เหมือนกับเอานับ สิบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่มาหา9 8 7 6 5 4 3 2 1สบางทีพูดหนึ่งก่อนเพื่อที่จะไล่ขึ้น2 3 4 5ห้นหรืออาจจะหยิบส่วนใดส่วนหนึ่งในระหว่างนี้ขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นลำดับเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมควรเรียนรู้ไว้ก่อนว่าเขามีลำดับอะไรบ้างนะครับเช่นลำดับเทสนาลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งกา ร, ล, การละลำดับแห่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ควรรู้ไว้ก่อนนะครับ อถ้ารู้แล้วศึกษาพระธรรมคำสอนตามพระไตรปิฎกและอัตกถาดีกานี้ก็สบายนะครับฟังแล้วก็อืมหลึกซึ้งเลยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับไม่นึกตำหนิคใครง่ายๆว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นผู้ที่ละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆใครที่ไม่มาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิก็คือพระ อาาคามีทัานผู้ที่เป็นพระอาาคามีนี้จกไม่กลับมาสู่โลกนี้ในการไหนๆเลยเนี่ย น, นะครับโลกนี้คือโลกมนุษย์กับเทวโลกนะเทวดานะแต่ว่าท่านก็ไปปฏิสนธิเป็นพรหมเนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แล มันนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นพุทธพจน์ในอิติวุตกะทีนี้กล่าวถึงอัตตกะถาของอิติวุตกะเลยนะครับอัตตกถาของอิติวุตกะนี้ชื่อว่าปรมัถทิปนีทีปนีนี้แปลว่าประทีบใช่ไหมครับส่องใช่ไหมทิพนีนี้แปลว่าส่องปรมาถานี้ประมะบวกอาาัตตะประมะแปลว่าสูงสุดใช่ไหมครับหรือดียิ่ ง, งนะครับ อัถาก็คือเนื้อความนัม้นประทีปที่ส่องเนื้อความที่สูงสุดก็ได้นะครับเรียกว่าประมัติทธธีปนีนะถ้าหากว่าผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมคืออิติวุกตกะนะต้องใช้คมภีร์ประมัติทธธีปนีมาส่องจึงจักเห็นว่างั้นเลยถ้าไม่ใช้คัมภีร์นี้ก็หม่ผมว่าผมเนี่ยมืดแปแปดทิศเลยนะครับหนักกว่าเดินคืนเดือนมืดนะครับ พอยังกําหนดทิศทางคืเนเดือนมืดนะท่าที่เคยไปยังพอจะกําหนดทิศทางเลยบ้งแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกท่ามไม่อาศัยคัมภีประมาถทีปนีนะในส่วนของอิติวุติกะเปอร์เซ็นต์มืดนี่สูงมากเห็นแล้วเนี่ยอย่างพชนผู้เห็นแจ้งเนี่ยนะครับ เ, เห็นเนี่เห็นแค่ไหนเพราะลืมตาผมก็เห็นแล้ะเอาเห็นแค่ไหนละคนตาไม่บอดคนก็เห็นหมดแหละไในเห็นแค่ไหนจึงไม่ต้องมาสู่โลกนี้ เพราะฉะนั้นอาศัยปรมัทิติปณีเนี่ยนะครับปทีบสองเนื้อความที่สูงสุดก็จะทําให้เห็นชัดท่านอัตถกาานี่นับว่าสําคัญมากถ้ากล่าวถึงคําว่าอัตถกถานี่นะครับคัมภีบางคัมภีโดยเฉพาะเช่นมัชเชมนิกายเป็นต้นนี้บอกเลยว่าอัตถกาาคือคือคําสอนที่รุ่นพระธรรมสังฆากาจารย์คือรุ่นพระมหากษัตริยเป็นต้นทําสังคยาไว้นะครับ คือเพราะว่าพระมหากษัตริยเป็นต้นท่านสังขยานาพระไตรปิฎกเสร็จท่านก็สังขยานาอัตถกถาต่อนะอันนี้กล่าวตามอัตถกถามัชชิมนิกายาส่วนดีกาพระวินัยนี้กล่าวว่าอัตถกถาก็คือปกินกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ข้อความที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่บาลีนะครับคือไม่ได้ไม่นับเรื่องใน ปิดกสามอ่ะ น, นะคือไม่ได้มาเรียบเรียงอยู่ในปิดกสามเว้นจากนั้นมาเรียกอัตถกถาเพราะเป็นถ้อยความที่ไปอธิบายพุทธพจน์เหล่านั้นเพราะว่าหากว่าแสดงด้วยอธิบายด้ว ย, แส ด, ดวยแสดงด้วยอธิบายด้วยนี่นะครับเรื่องทรงจำนี่นับว่ายากมากถ้าเอาทั้งคำอธิบายและและบทตั้งเนี่ยนะครับมาแสดงพร้อมกันหมดเราจะไม่รู้ว่าอะไรควรจำไม่ควรจามันก็จะใหญ่โตไปหมดเลย แต่ถ้าหากว่าแสดงบทตั้งก่อนแล้วคําอธิบายค่อยมาแสดงทีหลังนะครับมันจะเห็นชัดเพราะว่าเราก็จะจําเฉพา ะ, ะบทตั้งก่อนยกตัวอย่างอิติปิโสนี่นะครับอิติปิโสเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าอารหังเนี่ยทามา น, นั่งแปลกันหมดเลยนะครับเอาเนื้อความมาอธิบายหมดก็ไม่ต้องไปบทอื่นหรอกครับอยู่กับอรหังก็พอละอรหังไกลาจากกิเลสกําจัตคสึกคือกิเลส ท, ทักษิกรรมแห่งสังสารจัตเนี่ยนะครับแล้วก็ เป็นผู้ควรแก่การบูชาไม่มีความลับในการทำบาปไกลจากคนชั่วทั้งหลายใกล้คนดีผ้าเรียจ้าทั้งหลายเป็นต้นไม่ทอดทิ้งไม่มีบาปประมไม่ไปปฏิสนที่ในภพไหนแล้วหรือว่าควรแก่การชมยกย่องสรรเสริญถ้าเอาคำเหล่านี้มาโอ้ไม่ต้องไปบทสัมมาสัมพุโทโธแล้วนะครับ ถ้าสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าพราะองค์นี้ตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เองมีตรัสรูอ้อภินญยธรรมธรมรมที่ควรรู้ยิ่งนะครับตรัสรู้ปริญยยธรรมพาเวตปธรรมปรหาตปธรรมหรือใบโหนี้จกักขุจกักขุสมุทยก็ไม่ต้องไปไหนนะครับสัมมาสัมพุโทโธ บ, บทเดียวนี่แหละครับหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เอาบทตั้งมาก่อนอัตคถาค่อยมาเรียบเรียงทีหลังไล้นะมันก็จะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วง่ายก็จะได้จําง่าย ไม่งั้นนี่ผมเนี่ยเห็นคุณเออทานนีคือเราจะนิยมอ่านอะไรให้เป็นข้อเขียนนะครับพร้อมคำอธิบายตรงนั้นเบ็ดเสร็จเพราะเราไม่อยากจะจำเรื่องนั้นนี่นี่คือคือข้อมูลที่ไร้าสาระทั้งหลายนะครับข้อมูลที่ไม่สาระนี่แปลว่าแก่นสารข้อข้อความใดที่ไม่เป็นแก่นสารเราก็อยากจะรับรู้ผ่านแล้วก็ทิ้งเลยแต่คำสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคาสอนนี่สาระทั้งนั้นเลย สิ่งที่เป็นสาระเขาไม่อยากให้หายไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาเรียงว่าอะไรควรจําอะไรไม่ควรจำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยายามจําแต่เนื้อหาอจําแต่บทตั้งเอาไว้ส่วนคําอธิบายทําความเข้าใจเอาไว้นะว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ไม่เข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นไอ้คาอธิบายเนี่ยไม่ต้องจําจําแต่บทตั้งถ้าจําบทตั้งได้แล้วฟังคําอธิบายก็จะจําได้เลยก็จะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอัตตกถานี้ บางแห่งที่กล่าวไปว่าคือปกินนกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระเถระทั้งหลายผู้รู้พุทธประสงค์นะเช่นพระพระสารีบุตรรู้ประสงค์อธิบายคำนั้นไว้ว่าหมายถึงอะไรอะไรเป็นต้นก็เรียกว่าอัตถกถาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าอัตถกถาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพุทธพจน์ส่วนหนึ่งเป็นมอ่เป็นความ เป็นคําของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้รู้พุทธประสงค์เนี่ยนะครับแต่ขอให้รู้เท่าว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้อยคําของพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองท่านมาที่บายกันเองถ้าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วทรงจําได้หมดเลยนะจะรู้ว่าอัจฉริยนี่ไม่ได้เขียนขึ้นเองอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านจำไม่ให้มันขัดกับหลักในพระไตรปิฎกง่ายๆนะครับหาที่ขัดเนี่หายากมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงเราเห็นเป็นที่ขัดนะ บางทีเราอาจจะยังไม่ได้รับคําอธิบายในเรื่องนั้นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าขัดนะครับโดยเฉพาะในดีกาพระวินัยเนี่ยนะครท่านอธิบายให้เห็นว่ามันมีนัยยะแบบนั้นแบบนี้อีกนะมันไม่ขัดกันนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้อยคําบางอย่างเป็นปูรณาคาถาพูดให้มันเต็มไปก่อนอยังงั้นแหละสะดวกต่อการจําเหมือนชาดก550เรื่องที่ยิ่งไม่ถึงหรอกแต่ว่าทําไมยิ่งพูดอย่างงี้มันจําง่ายดิยนะเลยพูดเต็มไปก่อนอนะ ถ้าไปพูดว่าโอ้โหมันขาดเท่านั้นเท่านี้เพิ่มเท่านั้นก็มันจำยากกว่างนกันเถอะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยิ่งถ้อยคำคำพูดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพิ่มรายละเอียดบ้างส่วนหนึ่งอาจจ ะ, ะลดให้เหลือ น, น้อยๆหน่อยเพื่อสะดวกต่อการจาแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือศึกษาคาอธิบายเหล่านั้นให้ทะลุโ ป, ปรปรง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นกิจของเราด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าภาษาภาพรปริยัติธรรมนี้เป็นสาระของเราเนกะ็เมื่อกี้ว่าจะถามก็ได้ยินอาจารย์ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ที่สถามคือเรื่องเรื่องเวลาเราอ่านอักราถาเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวในก่อรังกาเนะยครับเยอะแ ย, ยะเข้ามาแทรกผมก็เลย เอออะไรยังไงกันแน่อะไรเงี้ยกันคือบางบางอย่างเนี่ยนะครับอัตตกถาก็คือเหมือนกับผู้ที่มีความเข้าใจในคําสอนธรรมบทนั้นๆดีเวล า, าคําอธิบายนั้นเนี่ยอัตตะเนี่ยนะอย่างเช่นพระโบราณอาจารย์หรืออัตตกถาแบบโบราณท่านบอกเลยว่าหมายความว่าอย่างนี้นะทีนี้พระอัตตกถาจารย์ ผู้เข้าใจธรรมะบทนั้นท่านเลยยกอุทาหรณ์ให้มันเห็นชัดขึ้น น, นะก็คืออุทาหรณ์ก็เกี่ยวกับคำอธิบายเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านก็เลยยกอุทาหรณ์ขึ้นมาให้ดูนะครับเพียงแต่อุทาหรณ์ที่ที่ควรรู้ไว้นะครับในระหว่างนียน้ยกขึ้นมาประกอบใชใ่ยกขึ้นมาประกอบครับแล้วก็ไอาการที่ท่านยกมาประกอบก็เป็นส่วนดีหนึ่งก็คือ ผู้ที่จะอธิบายพระธรรมในยุคลังหลังก็จะได้อาศัยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยแล้วเอาเรื่องอื่นๆมาเทียบคล้ายๆกันจกได้อธิบายแล้วไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไม่มีเนื้อเรื่องประกอบเลยเนี่ยตากถาก็น่าจะอ่านยากเหมือนกันนะครับคืออ่านแล้วมันมีแต่บทว่าอัดว่าสับว่าโอ้ฝังลายเวียนหัวนะครับดีไม่ดีสับนี้มีห้าหกความหมายไม่มีเรื่องมาประกอบเลยให้มีพระเอกนางเอกมาปนม้างเถอะให้มันพอนึกภาพหน้าคนม้่ง อัว่าบทว่าอิติว่าฟังแล้วเสื่อมง่ายๆเลยนะครับท่านก็เห็นใจนะครับท่านก็เลยแสดงให้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือควรรับรู้ไว้บางอย่างควรรับรู้ไว้เพราะว่าอธิกถาส่วนหนึ่งก็คือประกอบไว้สำหรับผู้ที่แสดงธรรมนะครับส่วนที่สําคัญนี้ผู้ที่จะแสดงธรรมเนี่ยจะได้อธิบายได้อย่างถูกต้องขอโทษครับผมเร็วๆนี้ผมอ่านหนังสือของ อาจารย์ที่ท่นาเชื่อถือองค์หนึ่ง น, นะครับที่ท่านพยายามเผยแพร่ท่านบอกว่าในยุค ข, ของลังกาเนี่ยมันจะหรือว่ายุคไหนก็จำไม่ค่ได้ครับแต่ว่ามันถูกอะไรนะักคล้ายๆว่าศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์เนี่ยนะครับคือมันมีกําลังอํานาจมากขึ้นพอเหตุว่าเขามีพิธีรีตอนที่อะไรมันดูทําง่ายดีคนก็เลยเข้าไปหาและ ไ, ได้ง่ายกว่าก็เลยมี พะระเถระในพุทธศาสนาเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะมาแสดงว่าออพุทธศาสนานี่ก็มีพิธีกรรมศา ส, สนาพิธีอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เลยเอาเอาเอ า, เอาพิธีกรรมพวกเป็นศาสนาพิธีนี่แทะเข้ามาอะไรทํานองนี้ครับเพื่อที่จะให้ว่า ม, มันก็ทําได้นะง่ายดีนะอะไรทํานองนี้ยผมก็ไม่ทราบว่าจะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนก็ไม่ทราบอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับทอทษเเหมือนกับการ ไหว้ต้นโพหรือว่าอันนี้ผมยกขึ้นมาเองนะหนังสือไม่ได้บอกนะครั บ, รบการไหว้ต้นโพการทำํำสามิจิกรรมกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นาศาสนพิธีอะไรทานองนี้นะครับนั้นาศาสนพิธีบางอย่างตามความเข้าใจของผมนะครับบางอย่างไม่ควรรังเกียจโดยเฉพาะในพระวินัยบัญญัตินะสังเกตดู เช่นว่าสมมติทั้งหลายเช่นสมมติสีมานะครับสมมติสีมานี่นะครับหรือว่าอุบบวชกันเนี่นะครับนี่เป็นเรื่องของาศาสนพิธีทั้งนั้นเลยแต่าศาสนพิธีเหล่านี้ถามว่าขัดต่อการรู้แจ้งอริรยสัจไหมครับไม่ขัดเลยเมื่อไม่ขัดเลยเนี่นะฮะก็พระองค์ก็เลยทรงแสดงพระวินัยบัญญัติต่างๆขึ้นมาเพราะนันก็เรียกว่าหลักศาสนพิธีเหมือนกัน เนี่ยนะครับเช่นว่าถึงวันอุโบสถต้องมาสวดนะต้องมาฟังต้องมาแสดงถ้าเป็นอาบัตต้องไปปลงอย่างงี้นะมันคล้ายๆมีแบบฟอร์มที่ตายตัวไปเลยแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ขัดต่ออริยสัจหลักอริยสัจใช่ไหมครับอะไรก็ตามถ้าไม่ขัดต่อลักอริยสัจที่เป็นไปเพื่อพ้นจากวัตทุกพงจะแสดงไว้แต่บางคนก็นิยมแต่แก่นเลยเชื่อไหมครับว่าต้นไม้ที่ไม่มีเปลือกไม่มีกระพีเนะี แสดงว่าต้นไม้นั้นตายแล้วนะครับต้นไม้มีแก่นแต่ถ้าประกอบไปด้วยเปลือกประกอบไปด้วยกระพีแล้วก็มีกิ่งใบเป็นต้นต้นไม้นั้นก็จะสมบูรณ์อยู่ยาวนานต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ก็ยังแสดงเรื่องอ่าอไง สารโรปมาสูตรนะครับทั้งจุลสารโรปมสูตรมหาสารโรปมสูตรเพื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นแก่นแท้อะไรเป็นแก่นร์รองรองอย่างเช่นศีลทั้งหลายก็เหมือนกับเปลือกท่านนั้นเองนะครับนะเหมือนกับสะเก็ดของพรหมจรรย์เพราะนนั้เมื่อเรามองเห็นอย่างนี้ว่าเออก็อยู่ในส่วนนี้ของพรหมจรรย์นะเพราะศีลทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมของพระภิกษุเช่นในการสมมติต่างๆหรือในการสวดต่างๆเนี่ยนะครับ ่กรรมวาจาต่างๆท่านเสิ่งเหล่านี้ก็คือในเรื่องของศีลก็นับว่าเป็นเปลือกแต่ถ้ามาติดอยู่แค่นั้นก็ก็เข้าไม่ถึงแก่นจริงๆแต่อย่าลืมว่าพระอภิธรรมเป็นต้นหรือเรื่องอริยสัจเรื่องปรัมญาธรรมทั้งหลายที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะครับเรื่องอริยสัจเนี่ยนะมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีเปลือกเหล่านี้มาห่อหุ้มไว้ใครจะเข้าถึงได้นะครับ ใครจะเข้าถึงได้อย่างน้อยที่สุดผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนพิธีเหล่านี้ตั้งจิตไว้โดยชอบธรมตั้งความปรารถนาขอให้เป็นอุปนิสัยเพื่อบรรลุมรคผลก็เป็นไปได้นะครับที่ถามนี้ไม่ใช่ว่าผมรังเกียจนะครับเพียงแต่ว่าผมไปอ่านแล้วก็ท่านยกเหตุผลอะไรมาก็มันทำให้ผมเขวเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็อยากให้อิอาจารย์อธิบายด้วย <c oughs> ก็เผื่อสาหรับคนรุ่นหลังที่เขาได้อ่านงสือเล่มนั้นนะครับ <c oughs> ก็ส่วนที่สำคัญมากก็คือยิ่งการปรงอบัตเนี่ไม่ใช่ศาสนาพิธีละครับเป็นพิธีอย่างหนึ่งนละ้วนั่งบอกว่านะเออถ้าพระภิกษุองค์น้อยกว่าต้องไปกราบองค์แกกว่านะนะกราบก่อนแล้วค่อยนั่งกระโยงแล้วปรงอบัตนะเหางนั้น ก็ท่านยังบอกเลยนะว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าไอ้น้ําตาลได้รับเกินเจวันนะเธอต้องมาสะละอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็พิธีกรรมทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลไหมขัดต่อการบรรลุมรรคผลไหมถ้าขัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงสแสดงเลยบางอย่างเนี่ยดูเหมือนยุ้มๆยิ้มๆด้วยซ้ำ น, นะครับในความรู้สึกของผมนะบางครั้งนะบางครั้งนะแต่ถ้าเจริญตามนะเออไม่เดือดร้อนใจจริงๆนะเป็นไปเพื่ออาวิปัิสารจริงๆนะถ้าปฏิบัติตามนั้นน่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้คุณของพระ อ, องค์ดีจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงบัญญัติมานะเช่นทากับปิยะอย่างไงทํากับปิยังเนี่ยนะครับทำว่าเออก็ชั้นๆไปเหอะว่างั้นก็ปัจเจเวกซะสิ่นเรื่องนะเธอก็รู้หลักปัจเจเวกแล้วทำไมต้องให้ทากับปิยังด้วยทำให้สมควรด้วยเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิ่งเหล่านี้มาแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ขัดต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่าลืมว่าขีดความสามารถของสัตว์ไม่ได้เท่ากันนะครับเมื่อขีดความสามารถของสัตว์ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับบางส่วนพระองค์แสดงอริอรยธรรมชั้นสูงเลยเขาก็สามารถบรรลุมรรคผลได้บางคนทําได้อย่างนั้นไหมครับทําไม่ได้เมื่อทําอย่างนั้นทันทีเลยไม่ได้พระองค์แสดงชาดกก่อ ให้จิตเขาเบาให้จิตเขาอ่อนให้จิตเขาคล่องเป็นต้นก่อนทีนี้แสดงชาดกแล้วอะไรก็แล้วเอามาบวชมาบวชเจริญกรรมาฐานไม่ได้เออเธอไปเรียนนิสสิงเหล่านี้ก่อนนะเธอไปทรงปาติโมกข์ก่อนนะอย่างเงี้ยเธอไปท่องอันนี้ก่อนเธอไปเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นต้นก่อนครับเอ๊ที่อาจารย์ยกมาเนื้อเสีงมันไม่โด่ไม่น่าสงสัยเพราะเห็นว่ามันมีหลักฐานในชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เขาสงสัยสงสัยกันอย่างเช่นพวกการสวดมนต์ไป อ่าพรมน้าพุทธ ม, มนต์ไปอะไรทานองนี้ที่เราเห็นเห็นในชีวิตจาวันของเราตรงนี้ครับครับถ้ า, ถาเชื่อพุทธานุภาพไม่แหละนะครับถ้าเชื่อพุทธานุภาพก็ไม่น่ามีปัญหาเป็นไปได้แต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะมันถึงที่สุดหรือ ย, ยังหรือทำเพื่ออะไรนะครับ เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งมีภัยแล้วก็พระภิกษุพอที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อันนี้พูดถึงการพระพรหมพุทธมนต์แบบถูกต้องนะครับตามธรรมนะพูดตามธรรมแบบตามในเมืองภัยสาลีในรัตนสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือในปรกรณะไอเรื่องอปุพพกรรมของพระ อ, องค์ในในคาถาธรรมบทในอปทานเป็นต้นหรือในรัตนสูตรนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผู้ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองจะไม่รู้หรอกครับ ปัญหาบางอย่างนะคนเมืองจะไม่รู้หรอกครับชาวบ้านนอกเขาจะรู้ปัญหาของชาวบ้านนอกคนเมืองจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งจะไปวิจารณ์พิธีบางอย่างเขาไม่ได้เหมือนกันมอยู่คนละภาคอยู่คนละพื้นนะครับเราเป็นคนไทยนี่จะไปวิจารณ์คนอินเดียคนอะไรนี่มันก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเราก็ไม่ได้ไปเข้ารู้ลึกเนื้อตื้นบางอะไรเขาฉะนั้นบางอย่างถ้า คิดว่าเกื้อกูลต่อการเจริญคําสอนก็ปฏิบัติไปเถอะเอางี้นะพระไตรปิฎกเนี่ยนะถามว่าเรายอมรับว่าดีหมดไหมดีหมดทําตามได้ไหมละ่ะทําตามได้ทั้งหมดไหมละ่ะขณะเรายอมรับว่าดีเรายังทําตามไม่ได้หมดนั้นถามว่าไอ้ส่วนบางส่วนที่เราไม่ได้ไปทําทําเราปฏิเสธทําอะไรนะไม่ใช่ว่าเราวิจารณ์มากขึ้นแล้วดูเหมือนเก่งมากขึ้นนะครับถ้าวิจารณ์เจอตอนะครับมันลำบากเหมือนกัน นะอายุประวัตก็จะง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปนึกตําหนิพระอริยะล่ะก็ผมยังนึกถึงจําของทําไมนางอัมพปาลีนะครับจึงเป็นหญิงคณิกาก็เนื่องจากอดีตชาติท่านเป็นภิกษุณีเนี่ยนะครับไปเห็นน้ําลายแล้วกล่าวว่าหญิงแพทยสยาคนไหนมาถมน้ําลายไว้ไอโบพาก ร, รมมนันนั้นเนี่ยนะครับทําให้เป็นโสเพณีในชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นไอคำวิจารณ์หลายๆคํานี่นะครับ ผมผมคิดแล้วไม่คุ้มนะครับเพราะเอาเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปคิดอะไรก็ได้สักอย่างที่ที่เป็นไปกับคําสอนน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับคําวิจารณ์เนี่ยนะครับถึงบางอย่างถ้ามันไม่ดีผมก็คิดว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนผมเชื่อเรื่องกรรมว่าชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ชาวนะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไป ใครพูดอะไรก็พูดไปเถอดจักสมควรแก่กรรมของตัวเนี่ยนะจักทาอะไรก็ได้จักคิดอะไรก็ตามใจเพราะว่ากรรมไม่มีว่างเว้นขณะไหนบ้างที่ว่างจากเจตนากรรมสรรสัตว์ทั้งหลายก็จักสมควรแก่กรรมสมควรแก่กรรมแล้วทีนี้พอมาคิดเรื่องกรรมมากก็ทําให้สังเวชใจว่าเออเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเมื่อสมควรแก่กรรมแล้ววันวันเราทํากรรมอะไรบ้างแหละเนี่ยนะ อันนี้คือคือสิ่งชีวิตของเราจริงๆแล้วว่าชีวิตของเราจะาไปด้วยเจตนาของเรานอะเอางี้นะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยมรรคเจตนาใช่ไหมครับพระองค์ก็เป็นพระอรหันต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วกรรมของพระ อ, องค์นั้นก็เฉพาะของพระ อ, องค์นะเจตนาอันนั้นเนี่ยทําเผื่อเราไม่ได้ น, น, นะครับคนดีๆทั้งหลายที่เขาทําดีนะเขาก็ทําเจตนาของเขาพ้นจากทุกข์ไปแล้วพระเทวทัตมีเจตนาที่บาปเจตนาอันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลให้เราอะไร โดยส่วนตัวของเจตนาก็เฉพาะของใครกับของใครไปเพราะฉะนั exactly know, ้นถ้าเขาทำดีแทบจริงนี่เป็นกุศลก็มุทิตาด้วยนะยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยถ้าทำเป็นบาปควรที่จะสงสารเขาเพราะเจตนาอย่างไงก็ต้องไม่ลืมเขาแน่เขาอาจจะลืมบุญลืมบาปลืมดีลืมชั่วแต่บุญบาปจักไม่ลืมเขาเห็นไหมครับเราอยู่ว่างๆลืมเจ็บลืมป่วยว่างๆความเจ็บความป่วยไม่ลืมเรา เราลืมแก่แต่แก่ไม่ลืมเราเดี๋ยวเองเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องตายเดี๋ยวแต่ตายไม่ลืมเรานะสรนสัตว์ทั้งหลายตายแน่นะ